เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่หลังจากที่สุระเมทะสิบเอกของท่านสัรชัยเวรับุตรได้โต ว, วาาทะกับพระเรวตตะจนต้องยอมรับความพ่ายแพ้เพราะกลับสู่สำนักสุระเมทะก็โดนข้อกล่าวหาหลายประการท่านสุระเมทะยอมรับความจริงว่าสัจจะในพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่าดังนั้น จึงกราบลาพระอาจารย์และเพื่อนนักบวช ด, ด้วยกันเพื่อไปอยู่ศึกษากับพระเรวตะการจากมาของสุระเมทะทำให้อาจารย์สัรชัยและหมู่คณะเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องสูญเสียสิทเอกไปหนึ่งคนก็คงต้องเสียใจเป็นธรรมดานะคะวันต่อมาชาวพุทธก็ได้เห็นสุระเมทะสนทนธรรมกับพระเรวตะาด้วยความเคารพ เราก็ฟังเหตุการณ์กันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นแค่ไหนขอเชิญท่านรับฟังได้ณปัจจดนี้ค่ะท่านผู้เจริญสุรเมธาพูดขึ้น ในระหว่างนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านว่าความอยากทําให้มนุษย์ต่อสู้ดิ้นรนและประสบกับความทุกข์อย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาประการแรกก็คือความอยากในกามหรืออยากให้สิ่งต่างๆมาสู่ตนนั้นข้าพเจ้าพอจะเข้าใจได้แล้วข้าพเจ้าอยากจะฟังตัณหาประการที่สองคือภวะตัณหาที่ท่านบอกว่าอยากให้อยู่นั้นต่อไปดูก่อนอุบาสก ธรรมดามนุษย์เมื่อได้สิ่งใดมีสิ่งใดแล้วย่อมจะมีความรักความยึดถือความหวังและความห่วงในสิ่งนั้นอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับตนตลอดไปหรืออยากให้ตนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปไม่อยากให้มีการสูญหายการพัดพลากเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวาว่าภาวะตัณหาก็คือความอยากให้อยู่ข้อ น, นี้ข้าพเจ้าเข้าใจ สุดะเมตะกล่าวขึ้นแต่ยังไม่เข้าใจในข้อที่ว่าความอยากให้อยู่นี้ก่อให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรเราอยากให้สิ่งใดมาแต่สิ่งนั้นไม่มาเราก็ผิดหวังเป็นทุกข์ชันใดเราอยากให้สิ่งใดอยู่แต่สิ่งนั้นไม่อยู่กับเราเราก็เกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ฉันนั้นความอยากให้อยู่ก่อให้เกิดทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลาย มันไม่อาจจะอยู่กับเราได้ตลอดการเพราะสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปตามสภาพของมันมาแล้วก็ต้องไปทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แม้เราจะแสนหวงแหนแสนระแวดระวังมันก็ต้องมีอันสูญเสียไปจนได้เพราะภัยพิบัติต่างๆเช่นโจระภยัยอัคคีภยัยอุทกภยัยราชภายัยเป็นต้นบุคคลที่เรารักก็ยังมีอันตราย จากเราไปหรือหนีจากเราไปโดยที่สุดแม้แต่สมบัติที่ใกล้คิดที่สุดกับตัวเราคือสังขารร่างกายของเราก็ยังต้องพลัดพรากจากเราไปเช่นวัยหนุ่มสาวหายไปไวัยแก่เท่าก็เข้ามาแทนผมสีดําสนิทหายไปผมสีขาวก็เข้ามาแทนผิวหนังที่เต่งตึงหายไปผิวที่หย่อนยานหยาบ ก, กร้านก็เข้ามาแทน สายตาที่เคยจำสาสหายไปสายตาที่ฟ้าฟางก็เข้ามาแทนฟันค่อยๆทยอยจากกันไปทีละซี่สองซี่จนหมดเลี้ยงปากเป็นอาทิสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุนามธรรมาย่อมมีอันเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาผู้ใดยึดมั่นไว้ด้วยอุปาทานและอยากให้มันอยู่ด้วยภวะตันหาผู้นั้นย่อมเสี่ยงแท้ที่จะปิดหวัง และเป็นทุกข์ท่านพอจะเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วท่านผู้จเจริญท่านอธิบายได้แจ่มแจ้งดีมากประกอบด้วยอุปมาอุปไมยน่าชวนฟังข้าพเจ้าอยากจะทราบความหมายของวิภพัฒนหาหรือความอยากให้ไปต่อไปก็ขอนิมต์ท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังด้วยสุรเมตะถ้าท่านเข้าใจปัญหาสองประการแรกดีแล้วก็เป็นการง่าย ที่จะเข้าใจตัณหาประการสุดท้ายความทุกประการแรกเกิดจากเราอยากให้มาแต่มันไม่มาความทุกประการที่สองเกิดจากเราอยากให้อยู่แต่มันไม่อยู่ความทุกประการที่สามเกิดจากเราอยากให้ไปแต่มันไม่ยอมไปในชีวิตของคนเราทุกคนจะต้องมีบางครั้งที่จะต้องทนอยู่กับสิ่งของบุคคลหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอย่างยิ่งแต่จะหลบหลีกไปไหนก็ไม่ได้จำเป็นจำใจต้องทนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแม้แต่ท่านเองก็เคยได้รับความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างและอยากให้มันหายไปอย่างรุนแรงแต่มันก็ไม่ยอมหายจำต้องทนเจ็บอยู่ด้วยความละบากอย่างนี้แหละเรียกว่าทุกเกิดจากความอยากให้ไป ท่านผู้จเจริญสุรเมธะกล่าวพางยืดตัวขึ้นทอนหายใจเทศนาของท่านแจ่มแจ้งและจับใจข้าพเจ้าเหลือเกินบัดนี้ข้าพเจ้ามองเห็นทะลุปรุโปรงแล้วว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงประสบกับความทุกข์เพราะเหตุใดจึงมีคนในโลกเพียงจำนวนน้อยที่มีความสุขเจ้าตัญหาสามประการนี้เองเป็นต้นต่อแห่งความทุกข์ท่านผู้จเจริญ เมื่อได้รู้จักความความทุกข์และเหตุแห่งความทุกข์แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบต่อไปถึงวิธีการดับทุกข์ว่าจะทําอย่างไรจึงจะดับความทุกข์ได้ดูก่อนอุบาสกเมื่อบุคคลกําลังถูกไฟเผาได้รับความเร่าร้อนถ้าเขาอยากได้รับความเย็นสบายเขาก็ย่อมดับไฟนั้นเสียแขนใดบุคคลที่ถูกไฟแห่งตันหาเผาได้รับความทุกข์ถ้าอยากมีความสงบสุข เขาก็ต้องดับไฟคือตัญหาเสียฉันนั้นท่านผู้เจริญสุรเมธาถามขึ้นได้ฟังคำตอบของท่านแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าการดับปัญหาเป็นสิ่งกระทำได้ง่ายแต่ในเมื่อลงมือปฏิบัติจริงๆคงไม่ใช่ง่ายนักดอกกระมังพระเถระยิ้มนิดๆต่อความฉลาดหลักแหลมของสุรเมธาแล้วกล่าวว่าท่านพูดถูกแล้ว อุบาสกการดับตัณหาไม่ใช่งานที่ทําได้ง่ายๆเลยวิธีการดับตัณหาตามที่พระบรมศาสตร์ของเราส่งแสดงไว้ประกอบด้วยกรรมวิธีเป็นเอเนกต้องอาศัยความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวความภาคเพียรพยายามอันเยียบยอดและต้องใช้เวลานานพระบรมศาสตร์ของเราเองกว่าจะดับเพลิงแห่งตัณหาได้ต้องใช้เวลาสี่อสงไขย กับแสนมหากัปสุลเมทะถอนให้ใจอย่างท้อแท้แล้วกล่าวเป็นเชิงหมดหวังว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเองก็คงจะไม่มีวันดับตัณหาได้ละสิอย่าเพิ่งท้อใจอุบาสกพระเถระปลอบท่านยังไม่สิ้นหวังเชื่อเลยทีเดียวที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพระบรมศาสดาทรงใช้เวลาดับตัณหาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปนั้น ข้าพเจ้าหมายถึงการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพุทธภูมิแต่การบำเพ็ญบารมีเพื่อสาว ก, กภูมิไม่ต้องใช้เวลายาวนานดังขนาดนั้นอีกประการหนึ่งเล่าท่านเองก็ไม่ทราบว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมานานแล้วเท่าไรบางทีบารมีของท่านจะเต็มบริบูรณ์แล้วพอลงมือปฏิบัติก็อาจจะดับตัณหาได้ทันทีก็อาจจะเป็นได้ ท่านผู้เจริญตัวอย่างนั้นขอท่านได้โปรดบอกวิธีการดับปัญหาเบื้องต้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเถระนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนอุบาสกแม้ว่าวิธีดับตัญหาจะมีหลายวิธีแต่เมื่อสรุปแล้วก็มีเพียงสองวิธีเท่านั้นคือวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ที่ตัดสินใจจะอุทิศชีวิต แก่การดับเพลิงตัณหาอย่างเดียวเช่นษุภิกษุณีเป็นต้นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะทำให้ชีวิตของตนมีความสงบสุขทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในโลกอันวุ่นวายท่านจะเอาวิธีไหนท่านพูดเจริญข้าพเจ้ามีความสงสัยในวิธีหลังเพราะอยากจะเริ่มลงมือปฏิบัติเป็นการทดลองก่อนเอาละ ถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังท่านก็ทราบแล้วว่าตัณหาคือความอยากเกิดจากเวทนาคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจและเวทนานี้ก็เกิดจากพัสสะคือการที่ตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องกับโภถพะและใจถูกต้องธรรมลมตัวยอย่างเช่นถ้าตาเห็นรูปสวยๆงามๆ ท่านก็จะเกิดสุขเวทนาคือความรู้สึกพอใจเมื่อเกิดความพอใจแล้วก็อยากได้รูปนั้นรูปนี้เป็นกามตันหาอยากให้รูปนั้นคงอยู่นี่เป็นภวะตัณหาต่อจากนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงกันข้ามถ้าตาเห็นรูปไม่สวยไม่งามทุกขเวทนาหรือความไม่พอใจก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดทุกขเวทนาแล้วก็อยากให้รูปนั้น สูญหายไปเสียทำลายไปเสียพินาศไปเสียนี่ก็เป็นวิพภวตัญหาต่อจากนั้นทุกข์ก็เกิดขึ้นเข้าไเจ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเฉพาะเรื่องตากับรูปเท่านั้นเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐะใจกับธรรมลมก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านทราบสายทุกข์ดังที่ข้าพเจ้าอธิบายมา น, นี้แล้ววิธีดับทุกข์ ก็ดับตามสบายก่อนอื่นต้องมีสติความตื่นตัวอย่าเผลอต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวคือรู้ในขณะนั้นนั้นตนกำลังทำอะไรอยู่เมื่อตาเห็นรูปสวยก็ดีไม่สวยก็ดีก็ให้รู้ว่าตากำลังเห็นรูปถ้ารู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เวทนาก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนถ้าเวทนาเกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่าเวทนาชนิดไหนเกิดขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้จะเกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนถ้าตัณหาเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าตัณหาชนิดไหนกำลังเกิดขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ทุกก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้เกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนถ้าทุกเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าทุกกำลังเกิดขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ทุกก็จะค่อยๆดับไป สุระเมทะนิ่งอยู่รู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านพูดเจริญตัวอย่างนั้นตัวสำคัญที่สุดก็คือสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกสติสัมปชัญญะนีแลคือธรรมที่สำคัญที่สุดในการดับทุกข์อันสติสัมปชัญญะนี้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่ประมาทนั่นเองและความไม่ประมาทนี้พระบรมศาสดาของเราก็ตรัสว่า เป็นยอดคําสอนของพุทธองค์ธรรมะทั้งหลายย่อมรวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าทั้งหลายย่อมรวมกันที่รอยเท้าช้างถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ท่านเชื่อว่าได้ปฏิบัติ ต, ตามยอดคําสอนของพระบรมศาสดาท่านผู้เจริญเท่าที่ฟังวิธีการดับทุกข์ของท่านมาข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกเมื่อและทุกขนทุกแห่งข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไปพระเรวัตเถระได้อธิบายสัจจะอีกสองประการคือนิโรธทัจจะกับอริยมรรคสัจจะแก่เขาอย่างเขาให้เกิดศรัทธาอันมั่นคงในพุทธศาสนาแล้วสุระเมทะก็อำลาไปพักผ่อน ในที่สุดวสการก็ย่างเข้ามาทุกๆเวลาเย็นกลุ่มเมฆหนาสีดำจะปรากฏขึ้นทั่วแวนแ่นแควนแดนมคตแล้วก็หลังสายชุนลทานสู่ภาคพื้นคลุกเคล้าด้วยเสียงพายุและเสียงฟ้าร้องคำรามฟังดุดวราหกเทพประบุกำลังขับต้อนหมู่เมฆให้ไปหลังสายยุทธฝนลงตามคาที่คนชนบทต่างๆอยากดุเดือด ฝ่ายบนพื้นปัตตภีเล่าแม่น้ำใหญ่แม่น้ำน้อยห้วยหนองคลองบึงและไล่นาหน่องไปด้วยน้ำนำความชื่นฉ่ำมาให้แก่มนุษย์และทุกชนิดอย่างเหลือลน้นพระเรวตะเตระได้อยู่จำพรรษาที่พระเวฬุวันารามด้วยความสงบสุข ไม่มีศัตรูของศาสนาคอยเบียดเบียนกลั่นแกล้งอีกต่อไปเพราะบรรดาเดรธีนิคร น, นักปราดศาดาของละธีอื่นๆต่างก็ได้เห็นความเก่งกล้าสามารถของพระเถระและเข็ดขยัดไปตามๆกันไม่มีใครขันอาสาต่อสู้ด้วยธรรมยุทธ์ธนาการอีกภายในพรรษานั้นพระเถระได้เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติเป็นประจำทุกวันแม้แต่พระเจ้าอาชาสตรูจอมมคตก็ได้เสด็จไปฟังพระธรรมเทศนาและบำเพ็ญกุศลที่พระอารามเป็นครั้งคราวแต่ในระยะหลังพระเถระสังเกตเห็นว่าองค์พระราชามีพระพักตร์หมุนมองไม่ค่อยตัดอะไรมากนักทรงเงียบกรึมคล้ายกับกำลังมีปัญหาหนักอยู่ในพระทยัยวันหนึ่ง เมื่อได้มีโอกาสพระเรวตะเถระจึงถวายพระพรทูลถามว่ามหาบพิษอัตมาภาพสังเกตเห็นพระองค์ทรงมีพระพักหม่นหมองมีพระอกับกิริยาเงื่องหงอยคล้ายมีทุกข์ในพระไทยถ้ามีอะไรพอที่อัตมาภาพจะช่วยได้อัตมาภาพก็ยินดีพระราชา ท, ทรงถอนพระไทยอย่างหนักหน่วงกวาดพระเนตรไปรอบๆ รับสั่งกับบรรดาขราชบริพานออกไปจากธรรมศาลาและตรัสว่าพระกุณเจ้าโยมมีทุกข์ในใจจริงเป็นความทุกข์อันหนักหน่วงที่สุดเท่าที่โยมเคยประสบมาความทุกข์นั้นมีอะไรเป็นเหตุหรือมหาพิษก็เมื่อไม่นานมานี้เองโยมได้โอรสองค์หนึ่งซึ่งเกิดแต่พระราชพิธีของโยมก็การได้พระราชโอรส สืบสันตติวงศ์นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่พระองค์ควรจะมีความสุขมิใช่หรือมหาบพิษก็ควรจะเป็นอย่างนั้นและพระคุณเจ้าพระราชาทรงตอบก้มพระพักตร์ลงถูพื้นแต่สําหรับโยมการได้พระราชโอรสแทนที่จะได้ความสุขกลับได้รับแต่ความทุกข์ทรมานเพราะเหตุใดมหาบพิษพระเถระทูลถามด้วยความสงสัยอาจจะเป็นพ่อโยม รักลูกมากเกินไปก็การรักพระราชโอรสและพระโอรสก็น่ารักก็น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขนี่มหาบพิษแต่ความรักที่โยมมีตบุตรนั้นมันเตือนให้โยมระลึกถึงพระชนกซึ่งโยมได้ปรงพระชนไปแล้วด้วยความโงเ่เขลาพระดำรัดของพระราชาทําให้พระเทละนิ่งอึ้งไปทันทีความรักที่โยมมีตบุตรพระราชาตัดต่อไป มันทําให้โยมเกิดความรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าพระชนกของโยมก็คงจะรักโยมเช่นเดียวกับที่โยมรักบุตรขณะนี้ความรักของพระ อ, องค์คงจะบริสุทธิ์และสูงส่งเช่นเดียวกับความรักของโยมความรักเช่นนี้ควรจะได้รับการเคารพ บ, บูชาเทิดทุนมากกว่าที่จะถูกฆ่าแต่เพราะความโง่เขลาความหลงผิดและความโลภทาให้โยมตาบอด และได้ปร่งพระชนพระชนกของตนเองเพราะเหตุนี้โยมจึงเป็นทุกข์ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกเหมือนอยู่ในกองไฟตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นหน้าบุตรหรือได้ยินเสียงบุตรโยมก็รู้สึกเสียวสะดุ้งในหัวใจดุดถูกหอกเสียบแทงบางครั้งโยมอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลเพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าบุตรหรือได้ยินเสียงบุตรแต่โยม ก็ไม่อาจสามารถทาเช่นนั้นได้เพราะความรักบุตรขอพระคุณเจ้าช่วยโปรดโยมด้วยพระเถระนิ่งคิดอยู่นานพอสมควรและถวายพระพรตอบว่ามหาบาพิษเรื่องราวของพระองค์เป็นเรื่องน่าสงสารเห็นใจอย่างยิ่งและอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแก่การแก้ไขแต่สำหรับอัตมาภาพไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเพราะอัตมาภาพเคยประสบทุกข์แบบนี้มาแล้ว ในตอนแรกอาตมารประสบทุกข์อย่างหนักเหมือนกันแต่ต่อมาภายหลังเมื่อได้นําตนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วก็สามารถบรรเทาทุกข์ลงได้หลังจากนั้นพระเถระก็ได้เล่าเรื่องราวของตนเมื่อครั้งเป็นโจรต้นฆ่าประชาชนผู้ไม่มีความผิด อยู่ในป่าทางทิศเหนือของแคว้นโคสนถวายให้พระเจ้าอาชารศัตรูได้ฟังอย่างละเอียดและถวายพระพรว่ามหาบวพิตรกรรมชั่วที่อัตมาภาพได้กระทําตั้งแต่ครั้งนั้นคอยหลอกลออจิตสานึกของอัตมาภาพอยู่เสมอทุกครั้งที่จิตใจก้าวลงสู่ความสงบภาพอันโหดร้ายทารุนต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกบางครั้งขณะที่นอนหลับก็ฝันเห็นประชาชน ทุกเพศทุกวัยนับจานวนร้อยที่อาตมาเคยสังหารด้วยมือของตนเองเขาเหล่านั้นถือหอกถือดาบวิ่งไล่ตามสังหารอาตมาภาพทำให้ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยตัวอันสั่นเทาและชุ่มโชคด้วยเหงื่อการหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับอีกแม้ในระยะแรกที่นำตัวเข้าสูร่ร่มเงาอันเย็นแห่งพระธรรมวินยัยความทุกข์ทรมานดังกล่าว ก็ยังติดตมามมรบ ก, กวนอยู่เนือ ง, นงจนกระทั่งได้ฟังพระพุทธโอวาทที่พระอาจารย์ถ่ายทอดให้ฟังจึงได้ค่อยบรรเทาลงขอพระคุณเจ้าโปรดถ่ายทอดพระพุทธโอวาทข้อนั้นแก่โยมด้วยเถิดบางทีอาจจะทําให้โยมบรรเทาความทุกข์อันหนักหน่วงในปัจจุบันลงได้บ้างมหาบา่อพิขึ้นวันหนึ่งขณะที่อาตมาภาพกําลังละเมอส่งเสียงร้องด้วยฝันร้าย พระอาจารย์บังเอิญมาได้ยินเข้าท่านก็เรียกอาตมาภาพไปสอบสวนอาตมาภาพก็เล่าเรื่องความฝันถวายท่านอย่างละเอียดท่านฟังจบแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเธอกําลังเสวยวิบากทุกข์หรือทุกข์อันเกิดจากผลแห่งกรรมชั่วของตนเองพูดอีกอย่างหนึ่งเวลานี้เธอก็กําลังตกนรกเพราะจิตใจของเธอถูกไฟทุกข์เผาให้เล่าร้อนถ้าเธอไม่คิดหาทางแก้ไข จะเป็นอันตรายแก่ภูมิรัชญ์และท่านก็แนะนําวิธีแก้ไขว่าการที่เธอกระทําความผิดแล้วสํานึกผิดได้และได้รับความทุกข์ใจนี้ก็เป็นก้าวแรกในการระงับทุกข์เพราะคนที่ทําผิดแล้วสํานึกผิดคือคนที่กําลังปิดประตูแห่งความผิดไว้เบื้องหลังแล้วจะก้าวเดินไปสู่ทางแห่งความถูกต้องต่อไปเชื่อได้ว่าเธอจะไม่ทําผิดอีกและ จะไม่ต้องเป็นทุกข์อีกส่วนคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดคือคนที่ยังไม่ปิดประตูแห่งความผิดยังเปิดประตูผิดไว้และจะก้าวเดินตามทางผิดต่อไปและมีหวังจะได้รับทุกข์เพราะความผิดของตนต่อไปอีกไม่รู้จักสิ้นสุดฉะนั้นควรภูมิใจว่าเธอได้ก้าวเดินตามทางที่ถูกต้องแล้วความรู้สึกอันนี้จะทาให้เธอสบายใจขึ้นเป็นประการแรก ประการที่สองขอให้เธอมีความรู้สึกว่าขณะนี้เธอกําลังตกนรกกําลังใช้หนี้กรรมเก่าของเธอเปรียบเสมือนบุรุษเป็นหนี้เขาหนึ่พันกหาปณะนะและกําลังผ่อนใช้หนี้เขาวันละสิบกหาปณะนะในขณะที่กําลังใช้หนี้อยู่นั้นบุรุษคนหนึ่งอาจจะประสบทุกข์และเดือดร้อน เพราะการหาเงินใช้หนี้นั้นแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ภูมิใจว่าเขากําลังผ่อนใช้หนี้และกําลังผ่อนทุกของเขาทุกขณะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าผ่อนใช้หนี้ต่อไปโดยวิธีนี้ในที่สุดวันหนึ่งเขาจะเป็นอิสระและมีความสุขตรงกันข้ามถ้าเขาไม่ได้ใช้หนี้เขาอาจจะรู้สึกสบายกายที่ไม่ต้องหางานหาเงินมาใช้หนี้แต่จิตใจของเขา จะหนักอึ้งเป็นทุกข์กรกวนกรวายใจที่รู้ว่าตนยังเป็นหนี้ของคนอื่นยังไม่อิสระยังจะต้องหาเงินใช้หนี้เขาต่อไปฉะนั้นในขณะที่เรากำลังได้รับความทุกข์เพราะผลกรรมของเราเองขอให้ภูมิใจคิดว่าเรากำลังผ่อนใช้หนี้กรรมเก่าขอให้ภูมิใจที่เราสามารถใช้หนี้กรรมเก่าได้ถ้ารู้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้เธอจะสบายใจขึ้น และมีกำลังใจในการต่อสู้อดทนต่อความทุกข์นั้นต่อไปจนกว่าจะพ้นทุกข์ประการที่สามเธอต้องรู้ความจริงว่าสุขหรือทุกข์บางอย่างเกิดจากความยึดถือด้วยความหลงผิดหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนเองตัวอย่างเช่นมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเราเมื่อยี่สิบปีก่อนเป็นคนเดียวกับเราในปัจจุบันฉะนั้นเมื่อตัวเราเมื่อยี่สิปีก่อน กระทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วเราก็เข้าใจตัวเราในปัจจุบันนี้เองเป็นผู้ทำเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์เมื่อหวนคิดไปถึงกรรมชั่วของตนในอดีตตามความเป็นจริงนั้นตัวเราเมื่อยี่สิบปีก่อนหาใช่คนเดียวกับตัวเราในปัจจุบันนี้ไม่อย่าว่าแต่ยี่สิบปีเลยตัวเราเมื่อปีกลายนี้เองก็ดีเมื่อเดือนก่อนนี้ก็ดีเมื่อวานนี้ก็ดี เมื่อเช้าวันนี้ก็ดีโดยที่สุดแม้ในขณะที่เพิ่งผ่านไปนี้ก็ดีหาใช่คนเดียวกับเราในปัจจุบันนี้ไม่เพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวเราเป็นสภาวะธรรมอันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นติดต่อกันไปลําดับไปเหมือนเปลวไฟเปลวไฟในขณะนี้กับเปลวไฟเมื่อสักครู่นี้หาใช่เปลวเดียวกันไม่เพราะว่าเปลวไฟ ย่อมอาศัยเชื้อเพลิงคือน้ำมันอาศัยไส้อาศัยอากาศและความร้อนจึงไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาจึงดำรงอยู่ได้ถ้าขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเปลวไฟนั้นก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลวไฟที่เราเห็นเป็นเปลวไฟเดียวกันนั้นหาใช่เปลวไฟเดียวกันตลอดเวลาไม่แต่ประกอบด้วยเปลวไฟนับจํานวนไม่ถ้วนซึ่งเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันไป อย่างรวดเร็วจนเราไม่สามารถจะมองเห็นช่องที่มันขาดระยะได้เปลวไฟชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันต้องอาศัยปัจจัยต่างๆสารพัดเช่นอาหารอากาศความร้อนอารมณ์ภายนอกเป็นต้นไหลเข้าไปเสริมไว้จึงคงมีชีวิตอยู่ได้ติดต่อกันไปเป็นระยะอันรวดเร็วจนเรามองไม่เห็นช่วงที่ขาดตอนเราจึงเห็นเป็นคนคนเดียวกัน ตั้งแต่เกิดจนตายความจริงหาใช่คนเดียวกันไม่แต่ตัวเราอยู่มาได้จนบันนี้ประกอบด้วยคนจํานวนไม่ท้วนรู้สึกว่าธรรมะข้อนี้ละเอียดลึกซึ้งมากยากแกี่กบการเข้าใจพระเจ้าอาชาศตรูตรัสขึ้นเป็นเชิงปารัเป็นความจริงมหาวพิษเป็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งมาก และเป็นการหักล้างความเชื่อถือดั้งเดิมของมนุษย์อีกด้วยเพราะมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเข้าใจว่าคนเราเป็นคนเดียวกันตั้งแต่เกิดจนตายทั้งร่างกายและทางจิตใจเชื่อถือกันมาเช่นนั้นด้วยความเข้าใจผิดเป็นเวลานับด้วยพันพันปีการที่จะให้เชื่อเป็นอย่างอื่นจึงทําได้ยากเพราะมันเป็นการปฏิวัติจิตใจใหม่เป็นการทวนกระแส พระคุณเจ้าพระราชาตัดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องยากแต่โยมก็จะพยายามพิจารณาใคร์ครวนให้เข้าใจถ้าหากว่ามันจะช่วยบรรเทาทุกข์ของโยมได้มหาบอพิธใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตามความจริงตามธรรมชาติ ก็มีอยู่อย่างนั้นการเข้าใจว่าตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบันไม่ใช่คนเดียวกันจะช่วยบรรเทาทุกข์ได้อาจารย์ของอัตมาสอนว่าถ้าตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบันไม่ใช่คนเดียวกันกรรมชั่วที่ทำไว้ในอดีตก็ไม่ใช่ตัวเราในขณะนี้ทำเป็นกรรมซึ่งอดีตของเราเคยทาไว้เวลานี้เราก็เป็นคนใหม่แล้ว ทั้งกายและทั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราขณะนี้เป็นใจใหม่ประกอบด้วยความรู้จริงเห็นจริงประกอบด้วยหิริโอตปะไม่ใช่ใจมันบอดมืดเลวลายเหมือนใจอดีตแล้ว เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วเมื่อจิตรับธรรมอารมณ์เก่าๆที่น่าเศร้าใจเกิดผัสสะขึ้นทุกขเวทนาก็จะไม่เกิดถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่รุนแรงถ้าทุกขเวทนาเกิดวิภวตัณหาคือความอยากหนีไปเสียให้พ้นจากอนิจจารมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกถึงแม้จะเกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนไม่ทาให้เกิดทุกข์มากเกินไป เมื่อได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์เช่นนี้แล้วอัตมาภาพก็พยายามพิจารณาจนเห็นจริงตามท่านเมื่อเห็นจริงตามท่านแล้วก็ยึดถืออดีตเลิกกังวลต่ออนาคตพยายามรักษาความสงบสุขใจในปัจจุบันเท่านั้นทำให้มีความสงบสุขเรื่อยมาพระเจ้าอาชาติศัตรูส่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานมากแล้วได้ตัดขึ้นในที่สุดว่า โยมคิดว่าความจริงประการที่สามที่ว่าตัวเราในอดีตกับปัจจุบันไม่ใช่คนเดียวกันนี้เป็นหลักสําคัญที่สุดในการแก้ทุกข์เพราะถ้าเข้าใจว่าตัวเราเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวกันก็จะทําให้เข้าใจว่าความผิดที่ตัวเราในอดีตทําเป็นความผิดที่ตัวเราในปัจจุบันถ้าเข้าใจอย่างนี้ตัวเราในปัจจุบันก็ยังคงมีความผิดอยู่ อย่างไม่ใช่คนบริสุทธิ์และจะไม่มีทางบริสุทธิ์ตรตาบเท่าที่ยังเป็นคนเดียวกันอยู่โยมเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกทีเดียวมหาบุพพิสุความจริงนั้นแม้ในอดีตตัวในอดีตของเราจะทำกรรมชั่วไว้มากเท่าใดก็ตามตัวเราในขณะนี้ก็หาได้มีส่วนผิดไปด้วยไม่ถ้าตัวเราในขณะนี้สานึกผิดปิดประตูความผิดเสีย กลับจิตกลับใจใหม่ได้เราก็เป็นคนใหม่ได้อย่างสิ้นเชิงยมเห็นด้วยกับพระคุณเจ้าแต่ยังสงสัสยอยู่ว่าถ้าตัวเราเวลานี้บริสุทธิ์แล้วทําไมเราจึงยังทนทุกข์ทรมานอยู่เล่าก็เพราะเหตุสองประการมหาภพิษประการแรกเพราะพระองค์ยังถอนความเชื่อถือเดิมไม่ได้ยังเข้าใจอยู่ว่าตัวเราในอดีตกับตัวเราในขณะนี้ เป็นคนคนเดียวกันถ้ามหาบุพพิททถอนอุปท า, านตัวนี้ได้จริงๆก็สามารถจะหักห้ามทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนอย่างพระอารันตะคิณาศทั้งหลายประการที่สองเพราะเศษผลของกรรมซึ่งตามมากับความเกี่ยวข้องระหว่างอดีตกับปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันแม้จะเป็นคนละส่วนแต่ก็เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้คิดเหมือนพ่อเกี่ยวเนื่องจากลูก ลูกเกี่ยวเนื่องกับหลานทางสายโลหิตและความสัมพันธ์ใกล้คิดกันพ่อกับลูกแม้จะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันก็เป็นคนละคนถ้าพ่อทำความชั่วลูกอาจจะบริสุทธิ์อยู่ได้แต่ลูกอาจจะได้รับความทุกข์อันเกิดจากการกระทําชั่วของพ่อได้เช่นพ่อทำผิดอาญาแผ่นดินมีโทษถูกจองจาลูกหาได้มีโทษ และถูกจอมจำด้วยไหมเพราะลูกยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การกระทําทของพ่ออาจจะส่งผลได้คือทำความทุกข์ให้ลูกได้เช่นอาจจะโศกเศร้าเ พ, พราะพัดพรากจากกันอาจจะขาดแคลนทรัพย์เพราะขาดหลักสำคัญของครอบครัวอาจจะถูกเขาตาหนิเพราะพ่ อ, พอเป็นคนชั่วก็ได้พระคุณเจ้าพระเจ้าอาชาสตูตัดมีพระพักแ่มใสขึ้น หลังจากได้ฟังพระกุณเจ้าอธิบายแล้วโยมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากทีเดียวเพราะโยมเริ่มเห็นแล้วว่าอาชาศัตรูที่ปรองพระชนพระชนกกับอาชาศัตรูที่นั่งฟังเทศอยู่เวลานี้เป็นคนละคนอาชาศัตรูคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์แต่ต้องประสบทุกข์อันเป็นกรรมชั่วที่อาชาตศัตรูคนก่อนกระทําไว้เพราะความเกี่ยวเนื่องทางสายโลหิตอย่างใกล้คิด โยมจะพยายามคิดให้เห็นจริงแจ้งในข้อนี้แต่ท่านผู้เจริญสำหรับโยมเองเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในความจริงข้อนี้แล้วอาจจะมีความสุขอยู่ได้แต่คนอื่นๆเล่าพระคุณเจ้าโยมจะทำอย่างไรจรึงจะให้เขาหายเกลียดชังโยมได้เพราะเวลานี้โยมรู้สึกตัวดีว่าแม้คนทั่วไปจะยังเคารพกราบไหว้ เขาก็ทําเพราะความเกรงกลัวหรือทําตามหน้าที่เท่านั้นเองหาได้ทําด้วยความรักเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนที่เขาทําต่อพระชนกไม่โยมรู้สึกตัวคล้ายกับอยู่ท่ามกลางศัตรูที่กําลังจ้องดูด้วยสายตาแสดงความอาฆาตมา ร, ร้ายข้อนี้ทําให้โยมไม่มีความสุขพระคุณเจ้าจะช่วยโปรดโยมได้อย่างไรมหาบุพพิตรการที่เขาเกลียดชังพระองค์ ก็เพราะความเข้าใจผิดของเขานั่นเองคือเขาเข้าใจว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์นี้เป็นองค์เดียวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ปรุงพระชนกถ้าเขาเข้าใจเสียใหม่ว่าเป็นคนละองค์เขาก็คงจะเลิกเกียรติชังเพราะฉะนั้นอัตมาภาพเห็นว่าวิธีที่จะทําให้เขาเข้าใจว่าเป็นคนละองพระองค์จะต้องปฏิบัติให้เขาเห็นว่าพระองค์เป็นคนละคนกับพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์ก่อน ในเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์กรมีพระไทยโหดร้ายทารุณปลงพระชนพระราชบิดาของตนได้พระองค์จะต้องปฏิบัติให้เขาเห็นว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์นี้สํานึกองค์ได้แล้วมีน้ําพระไทยเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ส่งฆ่าไม่ได้พระองค์จะต้องทํากองการกุศลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นคนละองแล้วถ้าทรงกระทําได้อย่างนี้อัตมาภาพเชื่อว่าประชาชนจะให้อภัยและหันมาเคารพรักษ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจตามเดิมสาธุพระคุณเจ้าที่เคารพพระราชาตรัสพางน้อพระองค์ลงกราบพระเถระด้วยความเคารพโยมขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ได้ให้แสงสว่างทางธรรมแก่โยม จนโยมบรรเทาทุกข์ลงได้เท่ากับท่านได้ช่วยชีวิตของโยมไว้ทีเดียวโยมขอพึ่งพระกุณเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและขอปวารณาพระกุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่จนตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ไปโยมเป็นอาชาศัตรูองค์ใหม่อัตมภาพขออนุโมทนาพระเถระกล่าวและองค์พระราชาธิบดีแห่งมคตรักษ์ ก็สรงอําลากลับเข้าสู่พระนครตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวพระนครราชครึกก็ได้รับแต่ข่าวดีจากพระราชินิเวศพระราชาได้ส่งสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงทานไว้ตางประตูเมืองและในใจกลางพระนครแจกจ่ายอาหารและเสื้อผ้าแก่บรรดายาจกวันิพกและสมณพราหมณาจารย์ผู้จรยรยาจกทุกทสานุทิต ได้่งสั่งให้มีการบูรณะปฏิสังขร อ, อารามต่างๆทั้งของพระพุทธศาสนาและของลัทธินิกายต่างๆทั้งหลายบรรดามีในขอบเขตขันธสีมาได้ทรงประทานนิรโทษกรรมแก่บรรดานักโทษทั้งหลายในพันธนาการได้ทรงเอาพระทัยใส่ต่อการบำบัดทุกบำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์อย่างจริงจังทำให้ประชาชนทุกขามนิคมชนบท มีความสุขสงบและเกิดความรักใคร่ในพระราชาธิบดีของตนอย่างที่ไม่เคยรักมาก่อนเสียงแส้ซ้องสาธุการสรรเสริญพระคุณของพระกษัตริย์หนุ่มอาชาศัตรูก็เสียงแส้อยู่ทั่วไป วันหนึ่งเทวมิตาอุบาสกผู้เป็นอุปถักต์เก่าแก่ของพระเถระและยังมีความอาฆาตพยาบาทในพระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ตั้งแต่ครั้งสงครามกองโจรก็ได้พบปะกับพระเล ว, วตะเถระที่เวรวนารามและได้ปรารถขึ้นกับพระเถระว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้ายัางรู้สึกใจไม่ดีที่ได้ข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กลับกลายเป็น พระปิยาราชของประชาชนเสียแล้วด้วยการกระทําความดีต่างๆของพระองค์พระเถระนั่งนิ่งจ้องอุบาสกกู่ใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอุบาสกทุกครั้งที่ท่านมาหาตมาท่านอาบน้ํำชำระกายให้บริสุทธิ์สะอาดเสียก่อนแต่คราวนี้ทําไมท่านจึงมาหาตมาพร้อมด้วยตัวอันศกปลกโสมมเช่นนี้ขอเชิญท่านกลับไปบ้านอาบน้ํำชำระกายให้สะอาดเสียก่อนเถิด แล้จึงกลับมาหาอัตมาใหม่คำพูดอันแสดงถึงความดูถูกเย็ดยามของพระเถระทำให้เทวมิตรเกิดความโกรธขึ้นมาในใจทันทีเขาจ้องดูพระเถระด้วยสายตายแสดงถึงความไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ก็ไม่พูดอะไรออกมาครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงลุกขึ้นด้วยอาการฮึดฮัดเตรียมจะจากไปหยุดก่อนเทวมิตรพระเถระห้ามด้วยน้าเสียงเป็นปกติ ทำไมท่านจึงยอมแพ้ง่ายๆเช่นนั้นเล่าท่านเคยพ่ายแพ้ต่อติตถปาะละหลานชายมหาวิระมาแล้วท่านจะอยู่ในฐานะผู้แพ้ตลอดไปหรือคําทักท้วงของพระเถระทําให้เทวมิตรหยุดชะงักเขายืนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมานั่งลงอย่างที่เดิมแต่ใบหน้ายังคงบูดบึง้งอุบาสกพระเถระกล่าวขึ้นอย่างเรียบเรียบ อาตมาเคยเทศนาสั่งสอนท่านตรงๆมามากแล้วแต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจพระธรรมคาสั่งสอนของพระบรมศาสดาอยู่นั่นเองจึงตัดสินใจใช้วิธีอ้อมๆดูบ้างขอให้ท่านคิดดูสิว่าที่อาตมาบอกท่านว่าอยังไม่ไดอาบน้าหมายความว่าอย่างไรเทวมิตะนั่งคิดอย่างว่าง่ายเพราะความเคารพรักษ์ในพระเถระมาเป็นเวลานานเขาพยายามคิดตีความหมาย ปริศนาธรรมอยู่เป็นเวลานานที่เกี่ยวด้วยใบหน้าอันเคร่งเครียดแต่แล้วสีหน้าของเขาก็ค่อยๆแจียมใสขึ้นจนถึงกับยิ้มกล่าวได้ในที่สุดว่าข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของท่านแล้วอุบาสกเข้าใจว่าอย่างไรหรือพระเถระถามด้วยความสลดใจที่ท่านว่าข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยตัวอันตกกรปกนั้นหมายความว่า ข้าพเจ้ามาพร้อมด้วยจิตใจที่อาฆาตพยาบาทในพระเจ้าอาชาศัตรูถูกแล้วอุบาสกตราบใดที่ยังมีพยาบาทในจิตใจของท่านใจของท่านก็ยังสกปกรกเดือดร้อนเป็นทุกข์ฉะนั้นท่านควรจะล้างมันออกเสียเป็นการสมควรหรือที่บุรุษผู้ฉลาดจะพึงแบกทุกข์ไว้หอบเอากองไฟไปเผาใจตนเองเวลานี้ พระเจ้าอาชาศัตรูได้กลับกลายเป็นพระราชาพระองค์ใหม่แล้วอาณาจักรมกฎรุฎลับได้กลายเป็นอาณาจักรใหม่แล้วสมควรละลึกที่ท่านจะยังเป็นเทวมิตาอุบาสกคนเดิมพระเจ้าอาชาศัตรูมีความสุขแล้วท่านจะแบกทุกข์ต่อไปอีกหรือเทศนาวิธีอันคันฉลาดของพระเถระทําให้เทวมิตากลับกลายเป็นคนใหม่ไปอีกคนหนึ่ง ที่สุดวัฏสการอันแสนจะยาวนานสำหรับพระเถระก็ผ่านพ้นไปบัดนี้วลาหกเทพพุะบได้ไล่ต้อนเมฆอุ้มฝนกลับคืนสู่มหาสมุทรกระทำหน้าที่ของท่านเสร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ก็ถึงวาระของลมหนาวที่พัดมาจากทางทิศเหนือจะกระทำหน้าที่แทนต่อไปทุกๆวันสายลมหนาวจะพัดมาจากทิศเหนือ อุ้มเอาความหนาวเย็นจากยอดเขาหิมวันตบันพดมาแจกจ่ายแก่ชาวชมพูทวีปทำให้น้ำตามที่ต่างๆเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วทำให้ภูมิประเทศเหมาะแก่การสัญจรไปมาของบรรดาอนาคาริกและพ่อค้าวานิชทั้งหลายฝ่ายพระเลวะตะเถระเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วก็ถวายพระพรลาพระเจ้าอาชาศัตรู และอลา马拉พุทธบริษัททั้งสี่ออกเดินทางจากิกเบิาเพียนเพียรและเทศนาสั่งสอนประชาชนตามหน้าที่ต่อไปในที่สุดพระเถระก็สบายบาดและแบกกรดออกเดินทางจากกรุงราชคฤชมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกท่ามกลางความอาลัยเสียดายของพุทธบริษัทชาวนครราชคฤจุดประสงค์ขั้นสุดท้ายของท่านก็คือนครพราราณสีพระเถระ เดินทางไปอย่างสภาพที่ไม่รีบร้อนค่าที่หมู่บ้านไหนก็ปักกลดหยุดพักผ่อนในป่ากใกล้ๆหมู่บ้านนั้นในตอนกลางคืนถ้ามีผู้สนใจในทางธรรมก็ออกมาสนทนาด้วย ท, ท่านก็สนทนากับเขาซักไซไล่เลียงผู้ที่ควรซักจนเขายอมรับว่าตนหลงผิดแล้วก็ให้ความเห็นอันถูกต้องแก่เขาเทศนาสั่งสอนผู้ควรได้รับคาสั่งสอน ไปโดยลาดับท่านได้รับความสงบสุขในธรรมอันเกิดจากความเบาและอิสระเสรีภาพอย่างสูงบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระเถระกำลังเดินทางอยู่ในป่าแห่งหนึ่งได้มีบุรุษผู้มีร่างกายกายำลํำสันหนวดเครารุ่มร่ามหน้าตาเฮี้ยมเกรียมดุดันสี่คนออกมาจากข้างๆทางและจับเอาตัวพระเถระไปในป่าให้นั่งลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้วก็ทาการตรวจคน้นพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุรุษทั้งสี่นั้นเป็นโจรคอยดักป้นคนอยู่ในป่าแต่ท่านก็ไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะท่านเห็นเป็นของธรรมดาเนื่องจากท่านเองเมื่อเป็นโจรก็เคยถูกหัวหน้าโจรสั่งให้ไปจับคนมาบูชายันถวายเจ้าแม่กาลีและก็ได้ไปจับพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งภายหลังก็ได้เทศนา เกลียดกล่อมจนเหล่าโจรรวมทั้งตัวท่านเองกลับใจเลิกเป็นโจรออกบวชตามท่านจนหมดสิน้นพระเถระคิดอยู่ในใจว่าบางทีการที่ถูกโจรจับมาคราวนี้คงจะเป็นเศษกรรมเท่าที่ท่านได้ทำไว้ตั้งแต่คราวนั้นก็ได้ท่านอยู่ในอาการอสงบตลอดเวลาไม่มีอะไรอีกตามเคยโจรผู้มีลักษณะเป็นหัวหน้าพูดขึ้นอย่างผิดหวัง หลังจากคนบริหารของพระเถระและไม่ได้พบทรัพย์สมบัติอันมีค่าอะไรพวกสมณะพวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับเราเลยจริงๆหลายไหนก็หลายนั้นเป็นควาน้าเหลวทุกทีแล้วเราจะทำอย่างไงดีละ่ะโจรอีกคนหนึ่งถามขึ้นเวลานี้เราก็ไม่มีอะไรจะกินกันแล้วสองําวันมานี้ไม่มีคนผ่านป่านี้เลยขณะที่โจรทั้งสี่ กำลังนั่งปรับทุกข์กันอยู่นั่นเองพระเถระเห็นเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มเทศนาสั่งสอนเขาจึงเริ่มถามว่าอุบาสกการที่ท่านจับอัตมามาคราวนี้ก็ดีการที่ท่านเข้ามาอยู่ในป่าเพื่อปล้นสะดมคนเดินทางอย่างนี้ก็ดีท่านต้องการทัพย์สมบัติใช่ไหมคําถามของพระเถระทําให้โจรทั้งสี่หันมามองดูท่านเป็นตาเดียวแล้วคนหนึ่งก็ได้ตอบว่าก็นแน่ละสิ ท่านสมณะท่านไม่น่าจะถามเลยถ้าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านหาทรัพย์ผิดที่เสียแล้วผิดอย่างไรเด้อโจรคนหนึ่งถามอย่างงงๆท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าที่นี่เป็นป่าท่านจะมาหาเอาทรัพย์อะไรในป่าทรัพย์ย่อมอยู่ที่คนและคนก็ย่อมที่จะอยู่ในบ้านในเมืองถ้าท่านอยากได้ทรัพย์ท่านก็ควรจะเที่ยวปร่นเอาตามบ้านตามเมืองสิอาตมารับรองว่า ท่านจะพบเหยื่อที่จะให้พ้นได้ทุกวันไม่ต้องมานั่งคอยนอนคอยอดอดอยากอยากอยู่อย่างนี้โจรทั้งสี่หัวเราะขึ้นเกือบพร้อมกันแล้วคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าท่านสมณะนี่ช่างไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานของโจรเอาเสียเลยคืนเข้าไปพป้นในเมืองก็ถูกราชบุรุษจับไปประหารชีวิตเสียเท่านั้นเราเคยมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยที่ต้องมาหลบๆซ่อนๆอยู่ในป่านี้ก็เพราะ เคยป้นในเมืองมาแล้วนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านยังรักชีวิตอยู่ใช่ไหมก็ใช่สิโจรคนเดิมตอบถ้าไม่รักชีวิตป่านี้เราก็ถูกจับไปประหารชีวิตแล้วที่รอดมาได้ถึงบัดนี้ก็เพราะอาศัยการหลบหลบซ่อนๆอยู่ในป่ายอย่างนี้แล้วในที่สุดท่านจะเป็นอย่างไรถ้าท่านยังประกอบอาชีพโจรต่อไปพระเถระแซงถามต่อไป ถ้าโชคดีเราก็อาจจะตายอย่างคนไรญ า, าติในป่านี้ถ้าโชคร้ายหน่อยแล้วก็อาจจะตายในการต่อสู้กับเหยื่อของเราถ้าเคาราะร้ายกว่านั้นเราก็อาจจะถูกราชบุรุษจับได้แล้วนําไปประหารชีวิตฟังดูอนาคตของท่านแล้วอาตมา ย, ยังมองไม่เห็นเลยว่าท่านจะรักตัวของท่านอย่างไรเอสมณะนี่ช่างฟังอะไรไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยโจรคนหนึ่ง อุทานออกมาอย่างหัวเสียอัตมาต้องขอโทษท่านที่ฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะสติปัญญาของอัตมาน้อยเกินไปก็ได้อัตมาขอถามท่านก่อนว่าท่านรักลูกของท่านหรือไม่รักสิทําไมจะไม่รักถึงเป็นโจรเราก็ยังรักลูกของเราเมื่อท่านรักลูกของท่านท่านอยากให้เขามีความสุขหรืออยากให้เขามีความทุกข์พระเถระซักต่อไปอา้าว ก็ อ, อยากให้เขามีความสุขละสิท่านไม่น่าจะถามเลยดีแล้วอาตมาจะขอเล่าเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อไม่นานมา น, นี้มีสหายสองคนอยู่ที่เมืองราชฤทธ์ทั้งสองคนรักกันมากอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทํางานด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างใกล้ชิดต่อมาวันหนึ่งสหายคนหนึ่งได้ปั้นเรื่องเท็จขึ้นกล่าวหาสหายของเขาในที่สุด สหายของเขาก็ถูกราชบุรุษจับไปจองจาในพันธนาคารวันต่อมาสหายผู้เป็นโจทย์ก็ได้ไปเยี่ยมสหายผู้อยู่ในพันธนาคารพอพบหน้าสหายผู้เคราะห์ร้ายก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าเขาเสียใจมากที่ได้หาเรื่องจนสหายต้องมาติดเรือนจำแต่ที่เขาทำเช่นนั้นก็เพราะความรักอันบริสุทธิ์ใจต่อสหายท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าชายคนนั้น รักสหายของเขาจริงเรื่องของท่านแปลกมากจนผู้เป็นหัวหน้าตอบยิ้มยิ้มข้าพระเจ้าจะไม่เชื่อเด็ดขาดว่าชายคนนั้นรักสหายของเขาจริงเขารักจริงเขาคงไม่ทำอย่างนั้นใครๆก็เชื่อไม่ได้ทั้งนั้นว่าเขารักสหายจริงถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็เชื่อว่าไม่รักตนจริงพระเถระกล่าวพรางยิ้มอย่างได้ทีอา้าวทาไมล่ะ โจรทั้งสี่ถามพร้อมๆกันอย่างงงๆก็เพราะว่าเวลานี้ท่านกําลังหาเรื่องให้ท่านเองเข้าไปอยู่ในพันธนาการหรือให้ท่านเองถูกประหารชีวิตเพราะท่านทราบดีว่าในวารสุดท้ายท่านจะต้องเป็นเช่นนั้นก็เมื่อท่านหาเรื่องให้แก่ตัวเองเช่นนี้ท่านจะกล่าวว่าท่านรักตนเองได้อย่างไร<อ>เหตุผลของพระเถระทําให้โจรทั้งสี่นั่งนิ่งมองดูหน้ากัน ด้วยความงงงวยเพราะมันเป็นเหตุผลอันถูกต้องอย่างไม่มีทางโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นครู่ใหญ่ผ่านไปโจรผู้เป็นหัวหน้าก็าได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงเบาๆเรียบๆผิดกับเมื่อก่อนว่าท่านสมณะพูดถูกต้องแล้วเราไม่รักตนจริงๆจึงทำให้ตนได้รับความยากลำบากถึงเพียงนี้เมื่อเห็นว่าพวกโจรได้สานึกในความผิดของตนดีแล้ว พระเถระจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกเอ๋ยบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบชัดแล้วว่าพวกท่านรักตนปรารถนาความสุขแก่ตนแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจึงปฏิบัติต่อตอนเองในทางที่ผิดท่านทั้งหลายได้หลงเดินตามทางผิดมาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่รู้สึกตัวบัดนี้ท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าตนเดินทางผิดซึ่งจะนาไปสู่ทุกข์ ท่านทั้งหลายจะเดินตามทางผิดต่อไปหรือจะกลับไปเริ่มต้นเดินตามทางที่ถูกต่อไปพวกโจรยังคงก้มหน้าคิดอยู่อย่างหนักครู่ใหญ่ผ่านไปหัวหน้าโจรจึงถอนหายใจอย่างหนักหน่วงและพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าท่านสมณะข้าพระเจ้าขอสละทางผิดขอเริ่มต้นเดินทางถูกท่านหัวหน้าโจรคนหนึ่งร้องขึ้นด้วยเสียงอันดัง ท่านอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจท่านคิดดูดีแล้วหรือท่านอย่าลืมนะว่าท่านเป็นไอ้มหาโจรครุกครีกับความชั่วมาตลอดเวลาตัวของท่านแปดเปื้อนด้วยมลทินตั้งแต่ศีรษะจดเท้าท่านเป็นที่เกลียดชังของมวลชนเป็นที่ต้องการของอาญาแผ่นดินถ้าท่านเลิกอาชีพโจรแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านจะไปทําอะไรกินหัวหน้าโจร น, นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง และก็กล่าวขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวว่าข้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะเริ่มต้นเดินทางถูกเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันถ้าข้าจะตายก็ขอให้ได้ตายในความถูกอย่าให้ตายในความผิดอย่างนี้แผ่นดินชมพูทวีปอย่างกว้างขวางนักถ้ามันจะไร้เท่าใบทุษาก็ให้มันรู้ไปว่าแล้วเขาก็ปลดดาบพร้อมทั้งฝักออกจากสเสีอวล แล้วก็เอายโยนเข้าไปในป่าลูกน้องทั้งสามมองดูเขาด้วยอาการงวยงงดุดต้องมนสกรดครู่ใหญ่ผ่านไปลูกน้องของเขาคนหนึ่งได้ค่อยๆปลดฝักดาบออกแล้วก็โยนทิ้งไปตามนายของตนท่านผู้เป็นหัวหน้าลูกน้องคนเดิมพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นพร่าข้าพเจ้าได้เดินตามทางสายนี้มาจนอายุสี่สิบปีแล้วแม้จะรู้ว่ามันผิดข้าพเจ้า ก็จะขอก้มหน้าเดินต่อไปมันสายเสียแล้วที่จะกลับไปเดินตามทางใหม่ข้าพเจ้าจะขอตายในความผิดเยี่ยงไอ้มหาโจร น, นี้คำประกาศอันเด็ดเดี่ยวของลูกน้องโจรคนนั้นทำให้พระเทละและโจรผู้กลับใจทั้งสองคนจ้องดูเขา ด้วยความประหลาดใจในขณะที่ทุกๆคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นโจรคนสุดท้ายก็ประกาศขึ้นว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าขอเดินตามทางผิดต่อไปพร้อมกับสีหะเพราะข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วเห็นว่าการกลับไปเดินตามทางที่ถูกจะทำให้ข้าพเจ้าประสบกับความพินาศเร็วเข้าแต่ถ้าเดินตามทางผิดต่อไปข้าพเจ้าอาจจะปลอดภัย ตราบเท่าที่เรายังไม่ถูกราชบุรุษจับเป็นอันว่าเวลานี้โจรทั้งสี่คนได้เกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายคือหัวหน้าโจรกับลูกน้องอีกคนหนึ่งได้กลับใจจะทิ้งอาชีพโจรไปเดินตามหนทางอันถูกต้องแต่โจรชื่อสีหะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ยอมกลับใจเหตุการณ์แตกแยกครั้งนี้ทำให้บรรยากาศดูหนักอึ้งอย่างยิ่งโจรทั้งสองฝ่าย ต่างหันหน้าเข้าเผชิญกันจ้องดูตากันด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะอธิบายได้เธอตัดสินใจดีแล้วหรือหัวหน้าโจนถามขึ้นด้วยเสียงเรียบๆเป็นปกติตัดสินใจดีแล้วสีหะตอบด้วยเสียงเครียดเธอล่ะ巴拉กะหัวหน้าหันไปถามอีกคนหนึ่งการตัดสินใจของข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง巴拉กะตอบเออเอาล่ะ หัวหน้าโจรพูดขึ้นพลางถอนหายใจเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องแตกแยกกันหลังจากทางานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานับสิบปีข้าเสียใจต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้แต่มันเป็นความจำเป็นขอให้เธอทั้งสองเดินตามทางของเธอต่อไปข้ากับปิงคีระก็จะขอเดินตามทางของเราต่อไปขอให้เราแยกทางกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป